เดี๋ยวเดียวอโอกาสนะอโอกาสกันนะงานที่ต้อมาทำตาบอกเป็นงานลือพจวิชาไม่อยากจะทางานนี่เลยเดือนน้อยเลยเดนเดือนละสามสิบาทน้อยไปไม่ไม่วันละบาทวันบาทวันบาทวันละบาทสงวันไม่ต้องสิบเอ็ดาท รายงานนี้ผลดีนะไม่ต้องบักลับมาเวียนไหว้ทายเกิดเองบ๊วยพยายามบอกอยู่ครับแต่ยังยังผู้กิเลสหมดครไม่ยอมยัอยาตอบยจบปลายมาจบทวิศวคอมพิวเตอร์ครับจบโทแล้วที่ลองบีชบที่ลองบีโอเค เรวจะกลับไปที่ลองบีชหก็เดี๋ยวกลับไปคราวนี้เดี๋ยวจะมันขอยื่น O B T อะครับอาจารย์ขอยื่นทางานนะครับก็จะใช้โัวเศษประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วกลับไปคราวนี้ก็ไปรอแล้วก็หางานไปเรื่อยๆอันนี้วีซ่ายังไม่หมดนลยอย่างครับวีซ่าได้มา5ปีเพิ่งใช้ไป3ปีได้เหลืออยู่ครับมันสามารขอขอต่อได้ต่อไต่องานได้ขอให้ทางานได้เลยใช่ขอ้งานได้ก็ว่ ยื่ทํา ง, งานคราวนี้ทํา ง, งานได้18เดือนก่อนขอบอหน้าถ้าถ้าจบโทวนี้เขามีเราจะให้ออกชันขอได้เลยอก็เดี๋ยวจะใช้ก่อนครับถ้าจบตรีนี้ไม่รู้สึกจบตรีนี้ อ, อันนี้ไม่น่าไม่มั่นใจครับ อ, อันนี้ก็เหมือนจหมันน่าจะได้ครับแต่ก็ อ, อาจจะเป็นเหมือนแอกว่าเป็นเป็นเทรนนิ่งเป็นเป็นจุดงาน ตอนนี้ไปนี่ใช้ F1 นือว่าใช้ F1 เนี่อตอนนี้ยังเป็น F1 อยู่ <F> 1 1> นะเดี๋ยวตอนที่ขอยื่นทำ ง, งานมันจะเป็น F1 ก่วงก่วงกับ OPT เป็นออปชันทำ ง, งานเงนะี้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นออวอร์จินดีไสบายที่เราจบนี่เราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่จะอยู่ต่อแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ได้แเข้าใจว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือ ถ้าตอนนี้ถ้าจบแล้วสามารถยื่นขอทำงานได้หรับผมเขาให้เลยแต่เป็นงานงานแล้วเป็นวีซ่าเชื่อค้าใช่ไหมใช่ใช่ยังเป็นเป็นถือว่าเป็นวีซ่ารออยูแต่ก็ทำงานได้แล้วขอต่อไปได้เรื่อยๆอ่ะขอต่อขต่อคราวนี้ขอต่อคราวนี้ได้18เดือนแล้วก็ขอ e x t e n t i o n ได้อีก12เดือนก็รวมรวมแล้วก็2ปีกว่าใน่หมๆแล้วหลังจานั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น working visa ถ้ามีบริษัทก็สปอนเซอร์อะไแล้วก็ใช่ครับส่วนมากส่วนมากสมัยนี้บริษัทไม่ค่อยสปอนเซอร์ต้องสปอนเซอร์ตัวเองรับโดยที่เขาจะหักจากเงินเดือนของเราไปแล้วเอาไมมเขาก็สปอนเซอร์หมายถึงเขารับรองอ๋อใช่ใช่เรองนี้เรามาเราทำงานกับเขาใช่ผมมีคงานงานะไรได้ป่ะงานายมคโดนัลนี้ได้ป่ะเออไม่นครับไม่รับเลยใช่ต้องต้องต้องที่เกี่ยวข้องกับสายนี้สายเรียนเขาถึงจะอนุญาต ตัวันนี้ก็ทำอยู่ทำร้านในทางไทยเป็นรายได้เสริมอยู่แถวลองบีนใช่ะอมอยู่แถวชอรเรนอยู่กลาๆใกล้ๆเอลเออยู่ใกล้ๆเราก็อยู่แถวนั้นเมื่อก่อนอยู่อ๋ออยู่อะไรคาราสันอยู่คาราสันเออผ่านไใกล้ติดใกล้ๆติดลองบีนนะใกล้ๆกับไอ้โดมินิกัสฮิวเดี๋ยวนี้คาราสันเป็นแบบครเรียนแถวกูดีเยอะมากแถวนั้น ส่วมากเวลาจะไปกินอาหารเกาหลีมันไปของคาซอยู่ติดแถวแถวแถวอนาวเออต่าอาหารอาหารอากาศเราหงนั้นมีทัพไม่มีแต่นี้เขาตั้งเป็นเป็นท่าอ า, ากาศนะครับคือตรงนั้นอ๋อคาซันหังนั้นก็มีคาสเตดอยู่ที่นั่นนะครอ๋อใช่เดี๋ยวมีคาสเตดเยอมากเดวินเกสเซียวเอยอตดกัน ทำได้ตอนนั้นเราเคยไปพักอยู่ช่วงซัมเม อ, อร์ไปทํางานช่วงซัมเม อ, อร์อยู่ระหว่างเดี๋ยวเนี้นครับเดี๋ยวกลับไปวันที่ยีสิบเก้านี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงระหว่างหายงานเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ที่เดิมครับที่แมดิสันพอดีชอบที่แมดิสันแล้วเลยอ่ะหนาวอยู่แต่ผมว่าอยู่แถวนั้นนี่บ้านเมืองสมบดีครับเแถวแคลิฟอร์เนียค่อนข้างแจ่อแจ่ หลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยๆๆน่ายอยู่เท่าไหร่ก็เลยถ <_ t ick> ือ ว, ว่าจะยากทีอยู่แถวแมทติสันเระหวังรอหางานเพราะเดี๋ยวนี้สมัครงานก็ผ่านอินเทอร์เนต็ตหมดครับอื <_ t ick> สัมภาษณ์งานก็ผ่านอินเทอร์เนต็ตหมดนะอใชไกด์เลยใช่เขา <_ t ick> บางครั้งเขาใช้อีกอันของซิสโก้ครับใ <_ t ick> ช่ใช้ <_ t ick> เว็บเอชเนี่ยมีผะของซิสโก้มีเป็นคล้ายๆกับสกายครับก็ใช้ประมาณนี้คบางครั้งก็สกา์บ้าง ไม่ต้องไม่ต้องไปที่บริษัทเลยไม่ใช่ครับอย่างนี้ไม่ต้องเลยก็ส่งส่งเรซูเม่ไปให้เขาครับผมส่งเรเม่ให้เขาแล้วเขาก็ส่วนมากก็ติดต่อมาแล้วก็แต่ยังไม่ตรงยังไม่ตรงที่เราอยากทำดีก็เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้จะเจอคอมพิวเตอร์ e n ยจะเจอของเอนจิเนียร์กผมอยากทำที่เต็มโปรแกรมมิ่งฮารแวรมากกว่าไม่อยากไปทำฝั่งซอฟแวร์ก็เลยยังยังยังไม่ตรงสายดีอ้าทำกาฮาร์ดแวร์ใช่ครับอยากเขียนพวกโรบอท ในประมาณนี้มากกว่าครับก็ต้องสมัครถแถวซิลิคอนอย่นะใช่เราคงจะทงเรื่อง ส, องอสมัครถแถวนั้นก็สมัครตอนตอนตอ น, ตอนยืยนทเอสพกับไอพไปแล้วแต่แต่มันจะเป็นแบบแนวเป็นทางด้านการขายซึ่งยังยังไม่ถูกกันแล้เป็นเซลล์เอนจิเนียร์อะไรยังยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอย่ายทําเครื่องเลยผลิตเครื่อ ง, งอย่าจะทําแบบใช่ครับเป็นเหมือนแบบว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เราได้จับให้เราได้ได้โปรแกร ม, มยอะไ่ามากกว่า ย่าไปเลือกว่านะเดี๋ยวมันจะไม่มีงานทำแ่นีก็กลับมาเป็นมาเมืองไทยอรับชวนให้กลับมาอยู่เมืองไทยอยู่ครับอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์สอนไม่เลยอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยจบที่ไหนไปทเส่วนทะส่วนซโลจบจบตยไปนะครับผมจบตยเราไปต่อโทครับผมไปสองปีแล้ว สองปีครึ่งนะครับตอนนี้จะสามปีแล้วสามปีกว่าแล้วเพราะว่าอยู่ภาษาอยู่กับอยู่เที่ยวเล่นเรียนภาษาหนึ่งปีก่อนจะเรียนอีกสองปีที่เราเรียนนี่ค่าเราเรียนแพงไามเนี่ยเออถ้าถ้าเทียบกัวกถ้าเทียบกับพวก UC แล้วถูกกว่าแพเยอะมากเออพวก UC, UCLA, u c เอล่ายูซีแซนเดียยูซีเอแเดอบาอพวกนีนระดับกันใช่คราวเซนต์มันยยูแวป็นเป็นเป็นพัฟฟิคเนวิของมหาเอง สเตตก็เลยจะถูกหน่อยแต่อยู่วงนั้นเป็นไพรเวทอยู่ก็จะแพงก็ต้องได้ทุนถึงได้ทุนไม่ก็ต้องเอาทุนจากรัฐบาลไทยไปถึงทีนีอยู่ได้เอาได้ทุนไปนะอเอไม่ครับทุนทุนแม่ทุนแม่ทุนแม่ทุนแม่ทุนนาทุนนาุาชายนาชายก็สวยก็ทุกวันนี้ก็ห้าเดือนละไอ้เทอมละประมาณเจ็0พันเหรียญนะดเหิเสเตอร์นยครับสมสเตอร์งสกว่า ถ้าเป็นพวก UC ก็สองมืเนนะครับสองมืเหรียญได้เหงืงว่าพวก UC ก็จะมีซันดี้เยอะหน่อยอะไรนี้ของเราก็จะได้จับจับแค่แบบเรียกไมน้อยเยนะครับแต่ก็โอเคทาไมที่เราเรียนเงียบสามร้อยกว่าส <c oughs> ามร้อยครับสบายแนะล้วั้สามร้อยเหรียญเนี่ยทุก <c oughs> คนก็เรียนได้ช่วงนี้ <c oughs> ไอเงินมันก็ค่าเงินมันก็ต่างกันใช่วันน้นวนน้นในแมคโดนัล์แฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัล์มัสิบแปดเซนก็วันนี้ก็ถ้าออเดอร์หนึ่งก็ประมาณห้าเหรียญได้าจะนบิกแม็กที่มันออกมาใหม่ๆมันห้าสิบเซนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้บิ๊กแม็กน่าจะเกือบสิบเกือบสิบเหรียญแล้วครับมันเจ็ดเหรียญนะครับทำไมที่มันออกมาใหม่ๆมมันห้าสิบเซน วันนี้ไม่มีครับออเดอร์ห้าสิบเซนมันได้ดังนั้นถ้าซื้อ Big m a มซ์ซื้อเฟนชซื้อโคกนี่กรประมาณเก้าสิบเซนอนนี้ค่าภาษีก็มันเลียงกว่าหน่อยครประมาณเินเสร็จเรษภาษีทาไมง่้มันแค่เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ี้เดี๋ยวนี้เกีบเปอร์เซ็นต์ก้าจุดห้าครับเก้าจุดห้าครับขึ้นขึ้นทุกปีแต่แถวแถวแถวเออยิ่งแถกแพงใหญ่เลยครับถ้าไปถ้าอยู่พว่ว พวไอแถวเซียเทิขึ้นไปครับโคเรนโดก็จะไม่ก็จะแท็กก็จะถูกลงหอดเพราะว่าแถวนั้นไม่ใช่เมืองใหญ่เหมือนที่ ว, วิชนซิงอย่งเี้ยวิชคนงตอนนี้แท็กแค่ห้าห้าจุดห้าเราถ้าเป็นพวกกอสริงจะฟรีแท็กด้วยเลยไม่ต้องเสียไยังไง<ห>เจ้ะแม่มีอะไรบ้างพโยมไม่จะจ้ค่ะฟังทำผ้าจานอยู่บ้านตลอดจ้าอติดตามผ่านทางอินเทอร์เน็ตน อ่าฟังผ่านทางมือถือน <recovery> uh, so uh ี่เลยที่แต่สบายนี่ใช้มือถือฟังทำกันได้สบายเปิดทูเแล้วก็พิมพพัชชีประจันก็โผลขึ้นมามากันเก่คนนะ สเจ้าคะ่ะใอันนี้ก็มาด้วยกันนะเนลูกสาว เ, เพื่อนลูกสาวจ้าคะ่ะลูกชายมาหรไม่ได้ม า, าไม่ได้มาจ้าคะ่ะเพิ่งเพิ่งศึกไปเมื่อต้นเดือนปวดที่ไหนปวดที่วัดราชบพิตแล้วไปอยู่ที่วัดป่ายาณสามปนโนที่เขาใหญ่จ้าคะ่ะพระเจ้าอุทัยเลย ไอยู่จำเป็นสาี่นั่นเลยปดได้เดือนเองเดียวเองเจ้าค่ะแล้วก็กลับไปทํางานพี่ชายเรียนจบอะไรมาจบที่อังกฤษเจ้าค่ะอันนี้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพเหรอทํางานอยู่ที่บริษัท A I A เจ้าค่ะเพื่อนก็จบมาเหมือนกัน อมไม่มาสมัครงานทําที่บริษัทของว่าพุทธเจ้าเนี่ยกลังต้อนให้เข้าถึงเจ้าค่ะทาก็ อ, าอยู่กันไม่นานเดือนอสองเดือนก็นลาออกออตอนนี้ก็พอเข้าใจบ้างเลยนะจ๊ะคืะ เวลาทำาวา็ตั้งหันวส่วนมนุษย์เปล่าสมาธิเป่าต้องคอยย้ำไว้เอ อ, อ, อ, อต้องคอยเตือนหันใจมันจะหลงจะไปหาทุกข์หาเรื่องราวต่างๆถ้าส่วนมนุษ์ได้มันก็เึงใจกลับเข้ามาส่วนมนุ์นี้เป็นอุบาย ของการทําใจให้สงบทําใจให้ว่าใจเราวันวันหนึ่งชอบคิดเรื่องราวต่างๆส่วนใหญ่ก็ที่ไปทางโลกโลกกฎหลอทีิแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเป็ความวิตกกัวงวลความอยากต่างๆขึ้นมาใจไม่ค่อยสบายวันวันหนึ่งมีเรื่องให้วิตกกัง ว, วลอยู่ด้วย ถ้าได้สวดมนต์หรือไ ด, ไดนั่งสมาธินี่มันก็จะช่วยลบความคิดต่างๆออกไปพอใจว่างใจก็เย็ยนสบายมีความสุขเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขอย่างอืงน่นนี้ต้องใช้เงินความสุขทางตาหูจมูกลิ้นัจส่วนใหญ่ต้องต้องใช้เงิน ออกไปนอกบ้านก็ต้องเสียเงินนะเสียการน้ำมันเสียค่ารถเสียค่าอะไรต่างให้อยู่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ได้เฉพาะเวลาต้องการพักผ่อนหลับนอนกินข้าพอได้พักผ่อนหลับนอนเสร็จแล้วนี่ให้อยู่ไม่อยากจะอยู่อยากจะออกออกไปก็ มันก็แก้ความเบื่อหน่ายได้แต่มันไม่ได้เป็นความสุขออกไปบางทีก็ไปทุกกับข้างนอกทุกกับท้องถนนทุกกับคนนั่นก็สู้หาความสุขจากการทําใจใสงบไม่ได้ความสุขที่เราหากันเนี่ยมันมีแต่ ความทุกข์ตามมาในเรื่องราวต่างๆตามมาจะต้องมีมีได้บ้างมีเสียบ้างเวลาได้ก็ดีใจพอเวลาเสียไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียก็หาใหม่หาใหม่แล้วเดี๋ยวก็เสียใหม่ได้มาเสียไปได้มาเสียไป ไดเท่าไร่ก็เหมือนเดิมความอยากไม่ไม่หมดไปจากใจอยู่เฉยๆก็เบื่อหน่ายต้องมีอะไรทําต้องมีอะไรดูต้องมีอะไรฟังมีอะไรได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายทําไปจนแก่ก็เหมือนก็เป็นเหมือนเดิมใจไม่ได้เปลี่ยนไปใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจไม่ได้ ความอยากของใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายที่ความอยากเวลาแก่แล้วมันมันไม่อยากจะทำอะไรเพราะมันไม่มีแรงจะทำถ้ามีแรงมั น, ม, นมันทำบางทีสังขารมันไม่ไหวให้ไปกระโดดโลดเต้นเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่นทำไม่ไหว ความสุขแบบนี้ก็ต้องหาไปเรื่อยๆพอร่างกา ย, ยานี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ได้เกิดเป็นเด็กใหม่แล้วก็มาโตมาเรียนหนังสือใหม่่มาทาอะไรใหม่หมุนเวียนไปอย่างนี้ไปหลายเป็นรอบๆ ล, ลองเล่ก็ไปเป็นนกเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นจิ้งจกบ้างแล้วแต่บุญแต่บาป ที่ทำไว้บางรอบก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กล้าจะไปเกิดที่เมืองเจริญก็มีหรือไปเกิดในเมืองที่ไม่เจริญไปเกิดในอเริกาบ้างไปเกิดในอเมริกาบ้างแล้วแต่บุญแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุปัจจัย แต่มันต้องไปอยู่เรื่อยๆหมอนเวียนเปลี่ยนไปบางบางพบบางชาติก็ดีบางพบบางชาติก็ไม่ดีถ้าไม่มาทำงานที่พระเจ้าสอนให้ทำก็จะไม่มีวันที่จ ะ, ะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นต้อง ต้องพยายามศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆถ้าศึกษาจนเข้าใจแล้วจะเกิดปัญญาในระดับแรกขึ้นมาคือเกิดความเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆเราก็อยากจะลองปฏิบัติ ด, ดู ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของเราไม่ต้องพึ่งพาร่างกายของคนอื่นไม่ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งพารูปเสียงกลิ่นรส ความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบ ก, ก็เกิดจากการควบคุมบังคับใจให้หยุดคิดใจก็เหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์วิ่งอยู่เราก็ต้ออยากจะหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรคถ้าไม่เหยียบเบรคเริ่มเบรกเสียมันก็จะไม่หยุดใจของเราก็ต้องมีเบรคเบรคก็คือสติ สติก็คือการเราเลิกรู้อยู่ในขณะนี้ให้ใจเรารู้ว่าเรากำลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดคิดเสียถ้าไม่หยุดคิดก็ต้องหาวิธีหยุดมันเช่นให้ท่องมนไปสวดมนไปถ้าเราสวดมนไปใจเราอยู่กับการสวดมนเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ใจคิดได้อยู่เรื่องเดียวในขณะเดียวถ้ขาขณะนี้คิดอยู่กับการสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นความคิดอย่างพอคิดกับการสวดมนต์มันก็จะไปคิดเรื่องการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขไม่ได้พอมันไม่ไปคิดถึงเรื่องความอยากต่างๆใจมันก็จะเบาจะเย็นจะสบายเพราะความอยากมันทําให้ใจร้อน สังเกตดูเวลาเราใจอยากจะทำอะไรนี่มันจะร้อนอยากจะทำรีบเร็ ว, รวแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไปแบบสบายสบายที่งเวลาขับรถไปข้างนอกไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเวลานัดแนกับใครก็ขับไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็ได้ใจเย็นใจไม่ร้อนแต่เวลามีความอยากต้องไปให้ถึงเวลานั้นเวลานี้ ใจมันจะร้อนขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ได้ไปตามความอยากมันก็จะงุ่ดอิดดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกนัดกับเขาไว้เวลานั้นเวลานี้ไปไม่ทันเวลาคนนึงใจร้อนก่อนบนท้องถน น, นทั้งวันนี้เพราะทุกคนอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางของตอนในเวลาที่ตนเองต้องการพอไปเจอใครขัดขวางเข้า ก็ไปโกรธเขาหรือไม่มีใครขวางแต่รถเป็นติดนี้อารมณ์ก็หมดหยิดแล้วถ้าเกิดใครไปมองเห็นหน้าตาเข้าเดี๋ยวก็เป็นเรื่องได้รือเกิดไปชนกันนิดหน่อยนี้ก็ทะเลาะ ก, กันได้ใจร้อนทำให้เกิดความโกรธได้ง่ายเวลาใจร้อนนี่มันจะโกรธง่าย เวลาใจเย็นนี้มันเกิดมันเกอ ด, ดความโกรธยากใจจะเย็นก็ต้องไม่มีความอยากถ้าอยากแล้วมันร้อนถ้ามันไม่อยากก็มันเย็นเราไม่อยากก็เกยังไงก็ได้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ถึงก็ได้อาจทำใจอย่างนี้จะทำใจอย่างนี้ก็ต้องหยุดความคิดไปในทางความอยากให้ได้ ก็ต้องใช้อุบายใช้เบรคหยุดมันการสวดมนก็เป็นวิธีการบริกรรมท่องพุโทโธพุธโทโธไปในใจก็เป็นอีกวิธีเวลาใจไม่ดีใจไม่สบายนี่แสดงว่าเกิดความอยากนะถ้าไม่มีปัญญาที่จะไปขุดคุ้ยหาสาเหตุว่าอยากอะไรแล้วใช้ปัญญาหยุดมันก็ใช้สติหยุดมันไปก่อน ใชบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อนก็ได้หรือจะท่องอะไรที่เราจําได้ท่องไปเรื่อยๆจะท่องสูตรคูณก็ได้สองคูนสองเป็นสี่สองคูนสี่เป็นแปดให้มันมีงานทํางานที่ไม่มีความยากการท่องสูตรคูณนี่มันก็ไม่มีความยากการนับหนึ่งสองสามไปก็ได้ทำ ไม่รู้จะทำยงไงก็นับไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบอยดสบสองสบสามอยาให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอหน้าไปนานๆสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ลืมเรื่องที่เคยคิดอยู่แล้วอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีที่เกิดจากความคิดตอนน้นก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย อันนี้เป็นเบื้องต้นวิธีเบื้องต้นที่ทำใจให้เราว่างให้ใจรางีับความสุขช่วยดับความร้อนใจได้ความวุ่นวางใจได้แต่มันจะดับได้ชั่วคราวถ้าเราหยุดนักหยุดพูดโทรเดียวกลับไปคิดใหม่ก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาอัน ถ้าเรารู้จักหยุดความคิดแล้วขั้นต่อไปแล้วก็ต้องสอนให้คิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่ไม่อยากรนคิดทื่ว่าเดี๋ยวเราก็ตายนะวอ้ที่นี้มันก็ไม่อยากถ้าคุณไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวอีกสองเดือนจะตายนะี่คุณยังจะไปหางานหนระือเล่าไม่อยากหาแล้วในชะ่แหมวิธีคิดเพื่อจะได้ไม่ไม่มีทางอยาก ไอ้คิว่าเราไม่แน่แนันี่ยารตายมันไม่แน่นอนแต่แม้ว่าโอากาสคนคนหนุ่มคนสาวจะตายยากกว่าคนแก่ก็ตามแต่บางทีตายก่อนคนแก่ก็มีเยอะๆเช่นเราเนี่ยไปดูที่โรงพยาบาลมีคนหนุ่มคนสาวถี่มอเตอร์ไซลลคนน์รถคว่ำชนกันตายตายไปก่อนคนแก่ก็มีเดินถนนข้ามถนนโดนรถชนตายกัน ไม่มีโลกปัจจุบันทันหน่วนหัวใจวายขึ้นมาตาคงเสียขึ้นถ้าเราที่สี่ยความตายเยอะเรื่องมันจะลดความอยากได้มากแต่ถ้าถ้าใจไม่มีความนิ่งคอไปคิดเส้นทางตานี้อาจจะเบื่อโลกเลยก็ได้อาจจะไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่นั่นมันก็มากเกินไป คิดถึงความตายเพื่อน่าความอยากแต่ถ้าคิดถึงความตายเพราะทำให้เกิดความเบือ่อไม่อยากจะอยู่อันนี้มันก็มันก็ถูกต้องระวังเหมือนกันถ้าคิดถึงความตายคิดไว้สับเบะความอยากถ้าไม่มีความอยากเดี๋ยวไปคิดคิดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ ละมัวแต่คิดวิธีการที่เราจะตายแบบต่างๆจะตายแบบวันนี้เพิ่งนี้ต้องคิดอย่างนี้มากๆเพราเดี๋ยวมันมันไม่อยากจะอยู่ถ้ามันถึงทำทำไม่อยากจะอยู่ก็ต้องหยุดละแสดงว่าผิดละทำผิดวิธีหรือถ้ากินยาก็กินมากเกินเกินไปโรคหายแล้วก็ต้องหยุดกินถ้ากินแล้วมันเกิดโทษกับร่างกายได้ การพิจาราความตายแต่พิจารณาแล้วทำให้ใจเราท้อแท้เบื่อนายไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอันนี้ก็ผิดละใช้ใช้ใ ช, ใช้ความคิดแบบนี้ไม่ดังถ้าคิดว่าจะตาย <c oughs> บมดกำลังใจกันคิดว่าเอ้ยเรายังหนุ่มเรายังสาวอยู่เรายังอยโอกาสที่เราจะตายนี่ยังยากอยู่ ก็ต้องรี้จักวิธีแก้แต่เวลาโลกอย่างได้เลยมากๆ อ, อย่อยางอยู่นานๆมันก็ต้องคิดบ้างแล้วว่ไม่แน่นะว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันต้องรู้จักแก้คามคิดที่ไม่ดีหรือถ้าอยากจะตายก็คิดว่าไม่ต้องไปอยากก่อนเดี๋ยวถึงเวลามันตาย ไม่ต้องไปเสียเงนินซื้อยาพิษมากินเดี๋ยวถึงเวลามันตายมันก็จะอยู่ได้แล้วก็อยู่ก็ดีจะได้ปฏิบัติธรรมจะได้หลุดพ้นจากการเงินวายตายสุดบางทีการใช้ คามคิดบางอย่างให้คิดแบบไม่รอบคอบมันก็ตายเป็นโทษที่ไหนได้ก็ต้องต้องหยุดเวลายอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่กังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ก็ให้คิดว่าเรื่องเหล่านั้นที่เรากังวลอาจจะมาไม่ถึงก็แล้วอาจจะตายก่อนมันมาก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะหายกังวลได้ หรือว่าถ้าเราตายไปเรื่องเหล่านั้นมันก็มันก็หมดปัญหาไปเองมีปัญหาต่างๆแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกันเลยเวลาเราตายปัญหาเหล่านั้นมันก็หมดไปแต่ถ้ายังคิดแล้วทาให้ใจไม่สบายก็อย่าใช่แบบนี้ก็ได้ใช้พุโทโธพุโทโธเลยนีลนะก่ิยความโลกก่ยความ ไม่สบายใจใยควางเลยทำอย่างต่างๆก็ใช้ทุทโธอยู่เป็นตัก่อนมไม่ใส่นา <S 2> <S 2> <S 2> ผมยังไม่ยอมหยุดด้วยยังไม่ยอมหลาวเลยธรรมาดามช่วงนี้มันต้องอากาศเย็นสบายนะ มีอะรพูดไราไาย์ี่ยปเข้ากลุ่มอะไรแล้วก็มีให้ยชื่อข้อที่โรงพยา่างใยาเดังน้โดยอาไแยังไงเนี่ยคือเขกลุ่มนึงนะคะยไม่ชาาว่าเป็นไทแต่ว่าเขาจะมีทีรวมกันจีดีเข้าผ่านบที่โรงพยาบาลต่างๆอะทียมจะไปดู มีใครห้าไมไหมอ่ ะ, อ, ะอยู่ที่เราอ่ะเราเราคิดว่ามันมันมันเป็นประโยชน์กับเรารได้ถ้ามันคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราไปแล้วกลับมาได้บรรลุนี้ก็น่าจะไป <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้าสอนให้ภาไปดูศพของนางโสเทนีที่ตายไปพอไปเห็นศพนางโสเทนีต้องก็บรรลุทางห น, น้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ไป ตอนนี้ไปเยี่ยมป่าชา้าทํำไ้ก่อนเขาไม่ได้ฝังศพเขาเอาศพไปที่ห้วยในป่าชา้าให้แรงให้กากรับกินให้ให้ให้สุนัขให้อะไรมากัดนํากินไปมาแทะมาก็ให้ไปดูศพ10บสิบชนิดศพตายใหม่ๆตบตายสามวันขึ้นเอิดทองศพที่ถูกแรงกากับสุนัข ก, กัดแขนขาไป ที่ราธิที่แนวทางศบที่ที่แห้งเนะที่แห้งแล้วก็กรอบเหลือแต่กระดูกนี่คือให้ดูความจริงของร่านกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไหลข้างคครกับมันไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไปกลัวมันว่ามันจะต้องตายเพราะนี่คือที่ไปของมันไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะต้องเป็นแบบนี้มันก็ดูศพนี่มันก็ดูได้สองประโยชน์ดูเพื่อให้เรายอมรับความตายละเพื่อให้เราดับการอารมณ์เพราะเวลาเกิดการอารมณ์นี้มันจะเกิดเพราะเราไปเห็นร่างกายที่มันสวยงามเหมือนดอกไม้ที่เด่นมาแต่ดอกมา้นี่มันก็ เสียวไปในใจกันไม่สักไม่กี่วันเดียวมันก็เหี่ยวมันก็เฉาร่างกายของคนเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดูหน้าตาสวยงามเห็นแล้วก็เกิดความใกล้ขึ้นมาถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องการที่จะไม่ไม่หาความสุขจากการเสพการถ้าเกิด การมาลงขึ้นมาเราก็ต้องหาวิธีดับมันอสุภาพนี้ก็จะดับมันได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของร่างกายของเขาที่จะต้องเป็นต่อไปหรือดูสภาพที่ของส่วนของร่างกายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังร่างกายเรานี่มันเป็นเหมือนกับถุงเหมือนกับกระเป๋าที่โยมถืออยู่เนี่ยดูข้างนอกก็สวยแล้ว แต่ข้างในไม่รู้ว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างถ้าอยากจะรู้ว่ากระเป๋าข้างในนี้มีอะไรก็เราก็ต้องเปิดดูถ้าเปิดดูเห็นล่วบางทีอาจจะไม่ไม่ไม่อยากจะได้กระเป๋าแบบนั้นก็ได้่างกายของเราก็เหมือนกันมีหนังหุ้มไว้มันเลยมองไม่เห็นอวัยวะต่างๆภายใ น, นถ้าเราทำหนังให้มันเป็นเหมือนใสเหมือนพลาสติกได้ก็ดีนะ เวลาเห็นหน้าคนจะได้เห็นเนื้อเห็นก ร, กระดูกที่อยู่ใต้ใต้หน้าถ้ามันเห็นอย่างนั้นมันก็จะไม่เห็นว่าสวยบางงาม น, นี่คือเป้าหมายของการไปดูสดดูสองอย่างดูความจริงของร่างกายอนาคตของร่างกายว่ามันจะต้องเ็นมซากสดไม่ว่าจะเป็นของไขรก็ตามแล้วก็ดูว่ามันไม่สวยไม่งามเวลาก็พา ศพก็จะพาให้เห็นอวัยวะต่างๆแล้วเราไปเอาภาพนั้นมาฝังไว้ในใจเรานึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเรานึกถึงภาพนั้นมั น, ม, นมันก็จะอารมณ์มันก็จะหายไปคือวิธีแก่สำหรับคนที่เป็นนักบวชหรือถือศีลบวชนี่เขาต้องละเว้นจากการร่วมหลับนอน แต่สำหรับผู้ที่มีสามีภรรยาก็คงจะไม่เหมาะเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวก็จะยากยากันเพราะ <c oughs> <c oughs> นั่นก็แล้วแต่ว่าเราไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราคิดว่าสมัยนี้มีรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปดูได้เขียนคำว่าศพเขาเนี้ยเราเปิดขอดูรูปภาพศพมันก็จะมีศพต่างๆให้ดูหรือเขียนคำว่า อนาตโตมถ้าอยากจะดูร่างกายส่วนประกอบของร่างกายต่างๆมันก็มีรูปภาพของอะไรต่างๆเอยอะแยะของร่างกายจะดูก็ดูก็ได้จะดูอวัยวะก็ได้จะดูเส้นเลือดก็ได้ดูอะไรมันมีก็เป็นเป็นรูปเขียนถึงแม้จะเป็นรูปเขียนก็มันก็เหมือนจริงดูแล้วมันก็เราก็สามารถเอารูปอย่างนั้นมาจเจริญ โดยตอนดูข้างเดียวมันจะเป็นสัญญาดูแปบ๊บเดียวก็เลยเราก็ต้องเอามาเจริญเอามาคิดอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆตอนต้นให้มันเป็นมิตรสนึกไปก่อนึกไปเรื่อยๆนึกไปพอนึกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันจะจําได้มันจะฝังใจแล้วเวลาต้องการจะใช้มันเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีจนเวลาเห็นรูปสวยงามแล้วก็เริ่มจะมีการอารมณ์ก็นึกถึงใอ้รูปที่ไม่สวยงาม มาประกอบกันปั๊บอารมณ์นั้นก็จะหายไปอสุภาพณ์นี้มันเป็นเหมือนอย่างลบเหมือนใครเขียนอะไรไว้บนกระดานเนี่ยเอาไอ้ที่ลบลบทีมันก็หายไปหมดใจเราก็เป็นเหมือนกระดานดาเนี่ยพอเราไปนึกถึงภาพ ส, ยสวยๆมันก็มีอารมณ์การมาลงขึ้นไปพอเราไปนึกถึงภาพไม่สวยปั๊บมันก็ดับการมาลงไป เรากลัวความตายเราได้น็กถึงอเนี่ยกลัวยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละร่างกายของเราทุกคนมันไม่ใช่ตัวเราเราเพียงแต่มาใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆการที่เรามีร่างกายนี้เพราะเราอยากมีตาไว้ดูมีหูไ้ฟังเพราะเรายังอยากดูอยากฟัง แต่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะต้องตายเวลามันตายเราจะทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้มันตายเพราะเรายังอยากจะใช้บริการของมันอยู่ร่างกายนี้เป็นเหมือนบริเป็นเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องไม้ที่รับใช้เราเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องไปหาความสุขให้มาพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามาหาความสุขในตัวเราความสุขในตัวเราก็คือความสงบ ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายไปหาความสุขข้างนอกแต่ความสุขที่เราได้เบื้องต้นมันเป็นความสุขชั่วคราวครับความสุขได้ขนะที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่พอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่ละมั่นระวังเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงความสุขทางร่างกายมันก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมา เราก็จะหาวิธีหยุดความร้อนให้ใจสงบเหมือนเดิมถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความร้อนต่างๆที่เกิดจากความอยากได้และพอเราสามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆได้ใจเราก็จะไม่ร้อนใจของเราก็จะเย็ยนไปเรื่อยๆมีความสุขไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะเราได้ มีความสามารถรักษาความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิเวลาออกมาจากสมาธิแค่อยากจะให้มันสงบเหมนตอนที่อยู่ในสมาธิก็ต้องไม่ให้มันคิดโดยเฉพาะไม่ให้มันคิดไปในทางความอยากถ้ามันคิดไปในทางความอยากแล้วมันจะร้อนความเย็นมันจะหายไปเพราะมันจะเกิดความหิวความอยากก็คือความหิวความไม่อยากก็คือความอ่ไปแล้วไม่อยากมันก็จะอึ พอเวามันอยากมันก็เชิงหิ้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะหยุดมันได้นอกจากสติหรือปัญญาถ้าสติก็หยุดได้ชั่วคราวแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปนับหนึ่งสอสไปมันก็จะหยุดได้พอเราหยุดหยุดนับเมื่อไหร่เดี๋ยวมันคิดใหม่ต่อแต่ถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะไม่คิดไปในทางความอยาอกต่อไปทุกครั้งที่อยากจะเสกการมพอเราคิดถึงอสุภะนี่ มันก็จะไม่อยาดแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเพราะทุกครั้งที่มันจัอยากมันก็เราก็มีอสุภามาหมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่คิดไปในทางนี้พอไม่คิดทางนี้ความอยากมันก็จะไม่มีความร้อนก็หายไปความเย็นก็กลับมานั้นอยู่ที่เราว่าเรา ม, มีความจำเป็นที่จะต้องไปเห็นของจริงไ มันมันก็มันก็ได้ประโยชน์และได้โทษเหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนเช่นถ้าเราอยู่ขั้นเก็บตัวปิดไม่เวกถ้าเราออกไปนะเราขาดทุนเวลาเราจะต้องไปรับลูกเสียงกลิ่นหรือะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้อย่างลูงตาเ น, นี่ยท่านห้ามไม่ให้พาออกไปรับกลิ่นที่ม ญาติโยมจะเป็นิมนต์พระว่าตานั่นตานี่นิมนไม่ได้เพราะท่านบอกว่าสาหรับพระนี้ออกไปแล้วเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณไปทำประโยชน์ให้ญาติโยมนิดนิดหน่อยหนซึ่งเอาพระที่ไหนทำก็เหมือนกันเอาพระในเมืองทำก็เหมือนกันโยมก็ได้ทำบุญเหมือนกันได้ใส่บาตรได้เรียงพระเหมือนกันแต่เอาพระที่เก็บตัวออกไป รับรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นเกิดการอารมณ์เกิดการ ม, ารมั่มนฉทาเกิดความอยากดูอยากฟังกลับมาที่บ้านแล้วรูปเสียงกลิ่นรถที่ได้ไปเห็นยังค้างอยู่ในใจ <Okay. S 1> เหมือนเป็นเครื่องอัดเทปใจนี่เป็นเหมือนเครื่องอัดเทป พ, พอออกไปแล้วมันจะอัดเรื่องราวต่างๆแล้วกลับมาดูใช้มันซ้ําแล้วซ้ำอีกอยนึงแล้วก็เกิดความอยากจะกลับไปดูใหม่ภาวนาก็ภาวนาไม่ลง กว่าจะลงเองอาจะอาจจะต้องอีกหลายวันเดินโยมกลมนั่งสมาธิพยายามเคลียร์มันออกจากใจหลวงตาท่านเห็นโทษท่านจึงไม่อยากให้ยาโยมนีมดถ้าจะรับท่านนะหลวงตารับองค์เดียวท่านไปแทนพระทั้งหมดมีคนอยากจะขอก้าวลูปเอาหลวงตาด้วยหลวงตาบอกว่าเราไปได้แต่พระลูกอื่นไปไม่ได้ถ้าจะเอา ถ้จาจะเอาพระเก้ารูปก็อยาเอาเราเราไม่ไปถ้าจะเอาเราก็ไม่ต้องเอาพระเก้ารูปไปเอาเราไปองเดียวเพราะวงตานี่ยใจท่านไม่มีปัญหาแล้วใจท่านดับความอยากต่างๆได้หมดแล้วท่านไปนี้มันไม่มีความนึกเสื่อมอะไรกับรูปเสียงกลิ่นนกที่ท่านได้เห็นได้ดูแต่พระนี่กาลังเป็นกาลังเป็นต้นไม้ขึ้นเจริญเติบโตทุกปลูกใหม่ อย่าไปถอนออกจากดินเวลานิมนต์ภาพไปข้างนอกทีก็เหมือนกับถอนต้นไม้ออกจากดินชั่วคราวเอาไปตั้งโชว์ในบ้านเสร็จแล้วก็เอากลับมาใส่ดินใหม่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะโตดีไม่ดีไม่นานเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็สึกไปเลยถ้าอยบวชแบบไม่เสื่อนี้ ต้องไปห น, นีอยู่ไกลๆไม่ให้อยู่ใกล้บ้านอย่างชาวบ้านบ้านต่างนี่หนต่งตาไม่รับให้อยู่ที่วัดตา่างนตา่างๆ่ไปอยู่ที่อยู่ยใกล้บ้านเดี๋ยวคนทางบ้านก็จะมาเยี่ยมความเป็นห่วงแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเรื่องความเดือดร้อนเรื่องอะไรพระเดี๋ยวพระก็ใจน้อนคิดมาคิดว้เราทิ้งทิ้งทิ้งคนให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่า เดี๋ยวก็อาจจะอยากจะไปกลับไปช่วยเขาเลยเลยเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะปฏิบัติแบบไปแบบไม่กลับนี่ต้องหนีไปอยู่ไกลๆเลยอย่างนั้นนี่ไปอุดรเลยเวลาเราบวชนี่เราไม่บอกใครเราเชื่อไหมเพื่อนฝูงพี่น้องไม่บอกบอกเฉพาะพ่อแม่สองคนเนี้นเพราะว่าต้องพาพ่อแม่ไปพาพ่อและแม่ไปไปพบกับอุปชาเลย คนอื่นเราไม่บวชบอกเวลาที่เราวันบวชนี่เรามีคนไปในงานสี่คนนะเราบวชมูบวชไกลคนหนึ่งคนนี้เขาก็จบปริญญาโทมาจากลองบิบเมือกันนะ <Okay. S 1> แล้วเขาบวชแต่บวชชั่วคราวบวชสองอาทิตย์เขาเป็นลูกนายพลเนี่ยก็เลยมีคนมาร่วม ง, งานเป็นรอยงานของเรามีสี่คนพ่อแม่แล้วก็ น้องสาวแล้วก็ลูกพี่น้องน้องคนพอดีเขา้ารู้ข่าวจากน้องสาวเพราะเาเรียนพี่จุฬาด้วยกันก็เลยบอกชวนันมาคนที่บวชจริงนี่มีแข็งมากั่สีคนคนที่บวชเล่นมีมีแข็งมาเป็นร้อยบวชเพื่อไม่ต้องการไม่ต้องการให้คขามามายุ่งมาวุ่นวายกับกับเราคนรู้บางทีก็มีคนมาวิพากวิจ า, าร่างตัาง ก็ชวนไม่ให <s Techn Pokémon> ้บวชก็มีเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนกคิดของเขาาเขาจะคิดว่าเราเสียอกเสียใจหรืออะไรก็จะมาช่วยปลอบใจเราว่าชีวิตยังมีหวังอยู่นะไปบวชทำไมก็มันก็เลยอยาไปให้คนรู้ดูกับถ้าเราอยากจะบวชจริงๆ ถ้าเราอยากจะปฏิบัตินี้เราต้องตัดหมดเลยตัดการรับรู้ตัดการติดต่อกับบุคคลต่างๆเพราะมันมีแต่ขาดทุนะมันไม่มีกำไรหรอกเพราะมันมีแต่เรื่องทางโลกมาให้เราต้องมารับรู้ถ้าเราไม่รับรู้นี่มันก็สบายถ้าขับรถก็เหมือนกับว่าไม่มีไม่มีรถวางทางเลย ไปวิ่งไปของเราไปคนเดียวถนนน่องไม่หมดเลยถ้ามีเรื่องให้มารับรู้ก็เหมือนมีรถคันอื่นคอยวิ่งแล้วต้องคอยหลบคอยไปเิ่นถ้าถ้าอยากจะไปดูสุภาพก็ตอนนี้เราเยังไม่ได้อยู่แบบปิดวิเวย่ยแบบท้าวบอลเราก็รอช่วงที่เราไม่ได้ปิดวิเวย่ยไปก็ได้ หรือถ้าเราลองดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ถ้ามันได้ได้ประโยชน์เหมือนกันก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปที่วัดนี้เขาก็มีจัดให้ไปที่โรงพยาบาลจีรานะทุกปีช่วงเข้าพรรษามีามาพระบวชใหม่พระเก่าเขาก็จะพาไปพระเก่าอาจจะอยากจะออกไปเที่ยว ไม่มีเหตุก็เลยหาเหตุส่วนผ้าใหม่ไปไปดูอาปุฏฐาไปดูพาสุกเสร็จแล้วก็มีญาติโยมเ็ามีพัฒการนี่มันไปฉันต่อดูอุปัฏฐาเสร็จแล้วก็ไปฉันพัฒการไม่ต้องฉันในบาทหนึ่งวันนักโต๊ะจีน อกิเลสมันก็มีช่องออกประมาอนั้นนะนไปเพื่อธรรมะแลยังกิเลยังขอแถมด้วยขอแถมฉันโต๊ะจีนเนี่ยบอกให้บอกว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราคิดว่าเป็นธรรมเนี่ยแต่มันมีกิเลสมาแทรกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเสมออยู่กับดวงตานี้ถ้าไม่พาพระเนรไปทําวัดไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ ตามวัดต่างๆตามธรรมเนียมก็มีธรรมเนียมกันว่าอะจะต้องไปคารวาครูบาอาจารย์พระเถระต่างๆหลงตาท่านใบองเดียวท่านไปทําหน้าที่แทนธรรมนียท่านไม่ให้เอาไปเพราะไปเนี่ยมันก็เนี่ยพ อ, อจากวัดไปมันก็ไปเปิดตาเปิดหูเปิดอะไรครับแล้วบุญที่ได้จากการไปคารวานี่มันไม่ได้มันไม่คุ้มดับ กิเลสที่มันโผล่ออกมาเป็นเปนสูสเงเลยเข้าใจพอเปิดตาหูจมูกลิ้นกลางก็เหมือนเปิดประตูให้กิเลสออกครับ้าใจไหมการไปปิดวิเวทควรปิดมาเนื่อกิเลสมันามีทางเข้าออกหกทางรู้ปะที่เรามาปิดวิเวงเนี่ยเราปิดเป็นสหทางตาหูจมู ก, กรรลิ้นกลางแต่ใจนี่มันยังต้องใช้สติปิดเนี่ยถ้าถ้าเรา บางปีกิเวกนี่มันก็เหลือเหลือประตูเดียวก็ง่ายนะแต่ถ้าไปอยู่ข้างนอกเราพูดโธพูดโธอยู่มันก็ยังไปได้ยินเสียงมันยังไม่ได้ดมกลิ่นอย่างเงี้ยมันก็ยังออกได้อยู่ถ้าอยากจะจับกิเลสี่ยอยากจะฆ่ามันนี่ท่านบอกว่า้าต้องไปติดกิเวกต้องไปปิดทวารทั้งห้าปิดทางเข้าออกห้าทางแล้วคอยเศร้าอยู่ทางเดียวมันจะต้องออกทางที่เหลืออยู่ทางที่เปิดไว้คือใจ ถ้าเราปล่อยให้ทั้งเบิดทั้งโขกทางนี่จับมันไม่ไหวหรอกเหมือนตะคุบจับปูใส่กระด้งเนี่ยเอาปูสิบตัวมาใส่กระด้งเลยเอาตัวที่ใสตัวนี้มันก็วิ่งอกอกเน้นถ้าอยากจะภาวนาให้สงบเนี่ยต้องสำรวมอินทรีย์ต้องปิดตาหูจมูกเน้อง่ายต้องไปอยู่ที่ที่มันไม่มีทางให้มันออกไปอยู่ตามป่าตามเขา ทางที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรถถ้ามีปั๊บมันจะดูกันเลยพอได้ยินเสียงปั๊บมันเปลี่ยนมันจะวิ่งเข้าหาเลยพอได้ดมกลิ่นนี่มันจะวิ่งเข้าหาทันทีแล้วก็ต้องเหนื่อยต้องใช้เดึกมันกลับมาแต่ถ้าไปอยู่ที่ที่วิเวกนี่มันมีตัวเดียวมันจะโผล่มาที่ใจนี่เราพอดูคิดปั๊บเราก็หยุดมันนกัน พูโทโทไปแล้วถ้าเราคอยคุมมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เดีวมันก็สงบงนการปฏิบัติจึงต้องปีกเว่ต้องหาที่สงบบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปอยู่ที่สงบกันยกเว้นคนที่เป็นคารวาที่มีบารมีเก่าอันนี้ต้องกรณียกเวน้นอาจจะหนึ่งในร้อยอะไรงนี้ แต่99ในร้อยนี่จะต้องไปปิียบเวยียกันเพราะผู้ที่บรรลุธรรมน 99% นี้เป็นนักบวชทั้งนั้นจะมี 1% บางที่จะเป็นผู้ครองเรือนอันนี้ก็เป็นเพราะบา ร, รมีเก่าบุญเก่าอาจจะได้ฝึกสติฝึ ก, กมสมาธิมาจนสามารถควบคุมอารมณ์ถึงแม้ว่าจะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่สะทกสะทานไม่สะเทือนไม่หวั่น ยังแต่ขาดปัญญาพอได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าก็บรรลุได้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษอย่าไปมองคว้าเขาเป็นคารวะเก็อยู่บ้านเขาบรรลุได้เราก็ต้องเราก็ต้องบรรลุได้ <c oughs> ถ้าบรรลุได้เราคนจะบรรลุกันไปทั้งนานแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็มาฟังธรรมของพระเจ้ากันอยู่ตลอดเวลาปัญญาทั้งนั้นเนะี่ยธรรมที่พระเจ้าสอนนี้ เราก็รู้แล้วอริยสัจสีเป็นยังไงอันนี้จังทุกขังหน้าตาเราก็รู้แล้วเป็นยังไงแต่ทําไมเราไม่บรรลุก็เพราะว่าใจเราไม่มีกําลังของความสงบพอไม่มีสติพอที่จะทําตามที่พระเจ้าสอนคือปล่อยวางเรายังยึดยังติดมันอยู่เพราะกิเลสที่มีอยู่ในใจมันไม่ยอมปล่อยไม่ใช่เราไม่ยอมปล่อยเราอยากปล่อย แต่กิเลสมันไม่ยอมให้เราปล่อยเราจรึงต้องหยุดกิเลสด้วยการทำใจให้สงบถ้าใจสงบถึงถึงฐานแล้วเนี่ยมันมันจะสงบมันจะสงบเต็มที่เลยแล้วเวลาปล่อยมันจะปล่อยได้อย่างเต็มที่คนที่มีจิตสงบถึงฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคราวาสเนี่ยเพราะเอาปัญญาพระเจ้ามาใช้เนี่ยปล่อยได้ต่างได้ แต่ถ้ามันไม่ถึงเยมันจะมันจะปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยก็ปล่อยได้แบบไม่ขาดเพราะฉนั้นต้องยอมรับล้ว่าต้องไปปีกวิ้เวกถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิถ้าไม่ไปปีกวิ้เวกนี้โอกาสที่จะสร้างให้สมาธิเกิดขึ้นมานี่มันยากมากขนาดไปปีกขึ้นแรกก็มันก็ยังยากเลย เป็นยังไงมาแต่ละครั้งนี่จิตรวมบ้างไหมจิตสงบบาก็มีเป็นมีเป็นบางครั้งที่จะรวมรเอนแต่ว่าลองมีคงจะยากเพราะเสียงดังมากก็เลยอาจจะขอย้ายไปอยู่ที่บ้า่อม้พเสียงดังมากเพราะตอนนี้เขาทาอยู่ตรงข้างหลังไม่แก่ตัวจะขอย้ายลงปดูลองติดต่อเขาดูติดต่อเข้วเหรอติดต่อ ก็บอกไฟเสียไงหลอดไฟเสียไงไม่ไม่ค่อยมีปัญาอ่ค่อเกิดก็เป็นหลังเล็กๆเ ส, สียงนี่มันก็เป็นตัวที่กระทบกระเทือนใจได้นอกจากถ้าเราปล่อยวางมันได้ก็มันเป็นปัญหาเลยถ้าเราอยากให้มันสงบนี่มันก็จะเป็นได้ แล้วกมันไม่มันังแล้วเนะดังก็ดังไปมันเสียงนกเสียงกาไปมันลองไปทำได้เพราะดังทีออย่างคราที่คราวผมก่อนนะคะมาแล้วก็เป็นเสียงตัดเหล็กหรือเสียงปูเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ยัไม่มีปัญหาแต่พอเป็นเสียงคนอ่ะยองทําังไงมันก็ไม่นิ่งทำยังไงมันก็ไม่นิ่งเพราะว่าเพราะว่าจะมีทั้งหนุมีทั้งแม่มีทั้งผู้หญิงเตีกันเยกะไปหมดเลยแต่พอเป็นเสียงคนปุ๊บยองทำยังไงมันก็ไม่นิ่งแต่ว่าตอนแค่ตัดเหล็กหรือตอนเขาคนปูหรืออะไรตอนนั้นนะคะที่พูดเทไม่เป็นไรไม่เป็น พราะสัญญาเกี่ยวกับคนนี่มันคือมันเหมือนกับว่าเสียงมันมีอารมณ์ของคนที่เขาแล้วเราเก็ดันเป็นแบบปรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทำทไรภาษาขเขมรผมแต่ง e ไม่ตามเข <c oughs> <c oughs> มีใครอยากจะพูดจะถามอะไรบ้างไหมไ่อะไรกนเอยามไหมู่ย <c oughs> มอยากา <c oughs> อยากจะถามไหม ปกติอะค่ะก็สวดธรรมจักนี่คือต้องอสืดถึงสิแปดจ้ะค่ะอ๋อการสวดนี้ถือไม่ถือไม่เป็นไรค่ะคือสวดนี่ถ้าสวดสวดได้ก็สวดไปแต่ที่ถือสิ่งแปดนี่คือหมายความว่าอยากจะหยุดพฤติกรรมทางทางโลกเราจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการสวดหรือกับการปฏิบัติ แต่ถ้าเราสวดแค่ครั้งเดียวช่วโมงนึงหรือคึ่งชั่วโมงแล้วเราก็หยุดมันไม่จําเป็นแต่ถ้าเราอยากจะสวดทั้งวันทั้งคืนก็ต้องถือศีลแปดเพราะถ้าไม่ถือศี 8, แลแปดเดี๋ยวก็เราก็อยากจะไปดูทีวีอยากจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเราก็จะไม่สามารถมาสวดได้คนที่ก็อยากจะสวดทั้งวันคืออยากจะปฏิบัติทําใจให้สงบทั้งวันทั้งคืนเขาก็ต้องถือศีลแปดมันช่วยให้เขาบังคับให้เขาไม่ไปทํากิจกรรมอย่าง แล้วท่ า, าเป็นนะคะต้องสวดแบบมีคําแปลหรือก็ดูว่าสวดปกติได้ทั้งสองอย่างถ้าถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีความหมายอะไรก็อ่านคําแปลไปก็ได้สวดสวดคําแปลไปก็ได้ไม่จะสวดแต่ภาษาไทยก็ได้ถ้าให้สวดไม่สวดภาษาบาลีก็ได้ได้คําว่าสวดก็คือให้ท่องใช่ไหม เลาเราสวดนี่ใจของเราก็จะได้ไม่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหางานให้ใจทำหางานอีกแบบนึงงานที่ทําให้ใจเย็นงานสวดนี่เป็นงานที่ทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราว่างถ้าเราไม่ฝึกสวดไว้ก่อนเวลาที่เราต้องการจะสวดจริงๆมันจะสวดไม่ได้เพราะว่าเช่นเวลาเราทุกข์เราร้อนอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะดับความทุกข์ความร้อน ถ้าเราไม่เคยฝึกสวดมาก่อนพอเราจะมาสวดนี่มันจะไม่ยอมสวดมันจะไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราร้อนนี่การสวดบ่อยๆเป็นประจำนี่เพื่อเป็นการฝึกนิสัยให้เราสวดเป็นพอถึงเวลาที่เราอยากจะสวดเราก็สวดได้ถ้าเราถ้าเราทำสวดได้มากเท่าไหร่มันก็จะมีกำลังสวดมากขึ้นไปนั้วถ้าเราสวดแค่วันละครั้งสองครั้งมันก็จะสวดได้ช่วงเวลานั้น เวลาอื่นก็จะสวดไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดให้สวดได้ทั้งวันทั้งคืนองนี้มันก็จะสามารถที่จะใช้มันได้ตลอดเวลาคนที่ต้องการจะสวดหรือควบคุมใจให้สงบตลอดเวลาก็ต้องถือศีลแปดกันก็จะได้ป้องกันไม่ให้ไปทำอย่างเรื่องอย่างอื่นเช่นไปหา หาเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายมหัศลศพบันเทิงน้องรำทาเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานสังคมงานเลี้ยงต่างๆถ้าถือสินแปะก็ไปไม่ได้แต่ถ้าแต่ถ้าซื้อสินแปะแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์มากมันก็ได้เหมือนกันได้และมันอาจจะทําให้เราทําให้ชีวิตของเรานี่มันยุ่งยากก็ได้ เพราะว่าถ้าเรายังเป็นคนที่อยู่ในโลกเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอยู่แล้วเราไปถือศีลแปดนี้เดี๋ยวเราก็จะไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมไปทำอะไรกับเขาได้เฉั mm ้น hmm. มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะทำกิจกรรมทางสังคมทางโลกแล้วถือศีลแปจะจะจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าอยากอยากจะถือก็ดีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ห้ามนะถ้าถ้าคิดว่าถือได้ แล้วยังสามารถทำกิจกรรมกับคนอื่นได้แต่มันจะทำไม่ได้เป็นคนอื่นก็ชวนไปกินเลี้ยงตอนเย็นนี้ก็ไปไม่ได้นะชวนไปดูหนังไปเที่ยวนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะถามว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่านี่ไมั้นถ้ายังมีชีวิตสังคมอยู่ท่านแนะนำให้ใช้ศีลห้าไปก่อนไปรักษาศีลห้าศีลห้านี่ยังไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้หมด นอกยกเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักชัดประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดินโชรายามาเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรทําไม่ว่าจะจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเพราะทำแล้วเกิดโทษแต่ถ้าต้องการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องถือสิลแต่เพื่อเราจะได้กําจัดกิจกรรมต่างๆไปเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติ ดังนั้นเราก็จะเอาเวลามาทำกับกิจกรรมเช่นรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยเราก็จะรอถึงเย็นเพื่อรับประทานอาหารอีกมือช่วงระหว่างเที่ยงถึงเย็นนี้เราก็<ม>าก็จะไม่ปฏิบัติเพราะเรายังอยากจะกินอยู่ยังต้องมาเตรียมตัวมาเตรียมอาหารเตรียมอะไรต่าง แล้วอาจจะมีเวลาว่างก็อาจจะไปเปิดทีวีดูไปทําอะไรมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราถือศีลแปดนี่พอรับประทานอาหารและพอเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่มีเรื่องกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็สามารถนั่งสวดมนต์ไปได้ถึงเวลานอนเลยถ้าเราชอบสวดมนต์ถ้าเราชอบใช้คําบริกรรมก็พูดโธพูดโธไปเปียนยดไอเดียบทได้นั่งบ้างเดินบ้าง แต่ใจนี้มีพุโทโธคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆถ้ามีพุโทโธควบคุมอยู่อย่างต่อเ น, นื่องใจมันก็จะว่างใจเย็นจะสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความสุขมากกว่าไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครทุกวันนี้ชีวิตของเรายุ่งกับเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นอะยุ่งกับคนนั้นคนนี้เพราะยางเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเ ต้องมีเขายุ่งกับสิ่งต่า ง, างๆเพออราะเยักต้องมีเขาเราต้องมีสิ่งนั้นดูมีสิ่งนี้ฟังพอมันเสียก็ต้องไปซ่อมมันพอมันหายก็ต้องไปหาซื้อใหม่ก็ต้องวุ่นอยู่กับเรื่องการหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำาเริศใจเราแต่ถ้าใจเรามีความสงบแล้วเราตัดสิ่งต่างๆไปได้หมดเลยเมื่อตัดแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ไม่ต้องไปทางานทาการให้เหนื่อย เพราะไม่ต้องใช้เงินนอกจากซื้ออาหารซื้อของจําเป็นเท่านั้นเองการทำใจใสงบจะทําให้เร า, าหลุดออกจากวงจรของความวุ่นวายต่างๆระหว่างนี้เราต้องไปวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้เพราะเราต้องการเขามาเป็นเป็นเครื่องบํารุงใจเรา เพื่อเสริมความสุขให้กับใจเราแต่ถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในตัวแล้วเราไม่ต้องอาศัยเขาแล้วอาศัยเขาก็ได้บางเวลาบางเวลาก็ไม่ได้ชวนบางในเวลาชวนเพื่อนไปเที่ยวก็เพื่อนก็ไม่ว่างก็ไปไม่ได้ไปคนเดียวก็ไม่สนุกใช่ไไปเที่ยวคนเดียวก็ไม่สนุกต้องมีเพื่อนไปแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีอะไร อยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธไปพอใจสงบแล้วก็สบายพข้าใจนะถ้าอยากจะถือศีลแปดก็สาเหตุที่คนส่วน<ม>ใหญ่ถือศีลแปดก็เขต้องการจะมาปฏิบัติทำมาทําใจให้สงบเ<ม>ขาจำเปนจะต้องตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดแต่ถ้าเรายังต้องมีกิจกรรมต่างๆไปถือศีลแปดไปมันก็ ยากเราอีกอย่างถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติทำเราก็ถือไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถือได้ก็ดีเป็นการซ้อมไปก่อนก็ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งถือสักวันหนึ่งก็ได้เช่นวันพระนองถือวันพระแต่ถ้าถือแล้วก็ต้องหยุดกิจกรรมอย่างต่างๆไปต้องเอาวันที่เราหยุดทำงานวันที่เราไม่ตไปเกี่ยวข้องกใครอยู่บ้านานี้แล้วก็ถือสิงแปดได้ หลักสิแปดมันก็เป็นการฝึกอดก้านจิตใจไม่ให้ใจไปพึ่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปเพึ่งรูปเสียงกลิ่นมาให้ความสุขมาสร้างความสุขแบบใหม่ด้วยการควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดตุงแต่งพอใจสงบเราก็จะได้ความสุขแบบใหม่ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทําให้มากขึ้นไปได้ ถ้าเราทําได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเกิดกําลังใจอยากจะทํามากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มวันรักษาสิ้นแปดให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวันหรือถ้าบางวันมันถือสิ้นแปดไม่ได้ครบอาจจะต้องกินข้าวเย็นออกไปงานเลี้ยงก็เอาแค่สิ้นเจ็ดไปบางวันก็ได้ช่วงที่ยังฝึกขัดก็มีบวกลบบ้างเกินบ้างขาดบ้างแล้วแต่เหตุการณ์แต่ไม่ได้ทําเพราะความอยากทํา เพราะเหตุการณ์มันยังเกี่ยวข้องกันคนนั้นคนนี้อยู่งานแต่งงานของพี่น้องไม่ไปเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราก็ต้องไปแต่ไปอาจจะไม่กินก็ได้อาจจะตักเคี้ยวสองสามคำทําเป็นท่าทีว่าเรากินก็ได้ถ้าเราอยากจะรักษาศิ่งแต่จริงๆก็อันนี้ก็ยังถือว่ารักษาได้อยูแต่กลัวไม่ใช่เงี้ยแต่พอไปเจออาหารมันโตะเข้ามันไม่เคีว้วมันไม่เคี้ยวเล่นๆเลย พอมันสัมผัสรถแล้วแหมมันติดแล้วไง ม, <c oughs> มีอะไรอีกไหม <c oughs> เนี่ค่ะเนี่ยใกล้ชวนนนอยู่แล้วชวนจามจากอยู่แล้วค่ะแ <c oughs> ต่ก่อนไม่เคยสวยดเราขับรถเตดทับหมามาัวหามาสองรอบแล้วก็เลยสวยดแล้วหมาก็ฟืน้น <c oughs> สวดโยนเยสวยดโยนย้ายหมาฟื้นเนย <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นสวดแล้ว แลพอดีวันที่สองก็แบบคุณหมอมาก็บอกว่าปฏิหารมากมาไม่เป็นไรเลยท้านี่หัวกระโหลกแหลกแล้วก็สมองยุบลงแรงมากก็เลยหลังจากนั้นมาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็สวดแล้วก็ตะก่อนใจร้อนแล้วก็สวดก็ใจเยินขึ้นเเลยค่ะถ้าสวดเพื่อใจเย็นเนี่ยถูกแต่ถ้าสวดเพื่อแม่หมามันตายนี่ไม่ไน้นรอกกลัวค่ะกูไปดมเวน้ำกำเอา ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีไม่มีเวรกรรมต่อกันแต่ถ้ามีเจตนานี่มันมียันขับรถไปแล้ววิห ม, มาวิ่งตัดหน้าแล้วเบรกไม่ทันก็ชนมันตายมันเป็นกรรมของมันเองมันวิ่งมาชนเองอันนี้เขานอนเรามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไอเลยวันนี้ถอยรถไปมองไม่เห็ น, น, ม, ม, หนมันนอนอยู่ใต้ใต้ท้องรถเองเลือนหน้ารถค่ะออมองม่เห็นไม่เป็นไรถ้ามไม่มีเจตนามันไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่บาป แต่มีความเสียหายอั น, นนี้ต้องยอมรับว่ามันมีความเสียหายที่มัอาจจะเกิดกับเราก็ได้เกิดเราไปเกิดเป็นหมาแล้วไปนอนอยู่ข้างหน้ารถทั้งวันหนึ่งก็ได้คือเราเอาหมามันเลี้ยงแล้วเลี้ยงไว้ที่บ้านตัวที่ทนทชนเนี่ยคือเป็นหมาจรจัดแต่ว่าอยู่อยู่ที่นึงแล้วก็เอาใหม่ที่นึงย้ายถิ่นฐานให้เขาเรียบร้อยอ มันก็มาชดใช้กรรมอย่างนี้หละใช่ค่ะถ้าไม่ไปทำร้ายเขาคนจะไม่เข้ามาเลี้ยงต่อไม่ยิ่งถ้ามหลเยอะถ้าไม่ไหทายเขาแตะว่าคือมันเหตุการณ์แหละก็เจอเหตุการณ์นี้ก็เลยไปเห็นเขาแล้วก็อยากได้เขาอยากอุปการะเขาก็เลยความเมตตาสงสารใช่ค่ดีดีกับคนบางคนชนแล้วก็วิ่งหนี้เลย แตดงว่จิตใจมีพื้นฐานของความเมตตายอยู่ก็ดีลองฝึกขัดสวดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเข้าใจความหมายก็อ่านคําแปลเลยก็ได้สวดคําแปลสลับกันบ้างก็ได้วันนี้สวดบาลีพรุ่งนี้สวดเอข้าวหน้าสวดคําแปลดูก็ได้เพราะคําแปลนี้เป็นคําสอนของพระเจ้า บ, บทสวดนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าเป็นปัญญาเป็นวิชาความรู้แต่ทาให้เราฉลาดขึ้น จะให้เรารู้ว่าป้อมจะเจ้าสอนอะไรสิ่งที่ว่าเจ้าสอนก็คือวิธีการดับความทุกข์ต่างๆนี่แล้วเราจะสามารถเํานำมาใช้กับชีวิตของเราได้เวลาชีวิตเรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราสามารถที่จะรู้จักวิธีดับมันได้เอาเนานะพ อ, อยังมีให้พอยไหมนะพอนี้มามาสายหน่อย วันนี้เธอหลับไปเพราะขึ้น <c oughs> มาสายมากแล้น่ <c oughs> ยยะถาวาริกวาหาปุราประวิกุรนณติสาคารังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานาังอุ ป, ปการปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจฉะตุสัพเทปุเรนตุสงังกะปา จันโทปัญระโสยธามณิโทติอระโสยธาสัพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจังวุธาปจจัยโนจตารโหธรมะวัทฐานติ อายุวันโนสุ้ังทารา